การปฏิบัติของเรานะมันเป็นของเป็นเป็นของยากอยู่ครับไม่ใช่มันเป็นของง่ายเห็นว่าเรารู้อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนที่ไม่รู้นะที่ว่าทุกตัวอย่างเห็นว่าให้รู้กายแลวก็รู้กายในกายอย่างนี้เป็นต้นครับ ทรัพย์ที่นี่มันก้มมันมงงให้รูกกายแลให้ลูกกายในตายรูปจิตให้ร่องจิตในจิตอย่างนี้ที่เรายังม่เคยประจิตบวชมาเราเลยยึดคําพูดเช่นนี้รนรเราก็มงอย่างงงพระวรนินัยนี่ fundamental สมัยก่อนผมก็เคยเป็นครูเรียนเจเป็นครูนน้อยไม่มากหรอกทำไมเจนีกว่าครูน้อยคืนครูไม่ได้ปฏิบัติ สองเวทินทธนแไ่ว่าไม่ไมปฏิบัติตามพวินิไนเียว่าครูน้อยครูมสมบูรณ์ไนไกลมากงั้นเกิดก็ไเ่รดินอะไรเรื่องสวไ น, ไน <c oughs> ฉะนั้นผมจะขอให้ความเห็นพระที่สุดทั้งหลายนั่นหะการปฏิบัติ น, นั้นเราจะรู้พระวินัยโดยชิ่นเชนิงไม่ได้ เนี่ยข้วางสิ่งรู้ก็เป็นอาวัตไม่รู้ก็เป็นดับอย่างนี้มันก็เป็นของยากแต่ว่าพระในนนี้ท่านเป็จําชับไว้ว่าถ้าหากว่ายังไม่รู้สิขาบทไรก็ออัดอะไรก็ให้สิขาศึกษาให้รู้สิขาบทนั้นด้วยความพยายามจงรักภักดี ต่อพระวินัยนะถึงไม่รู้ท่านก็ให้พยายามศึกษาข้อนั้นให้รู้ถ้าไม่เอาใจใส่เป็นนบัติเป็นนบัติทินว่าอ่าสงสัยนี่ครับ ที่เราสงสัยถ้าเราสงสัยอยู่นะสงสัยอยู่เป็นผู้หญิงสำคัญมากผู้ชายเขาไปจับเลยครับอย่างนี้สงสัยอยู่ เ, าเขาไปจับมันก็ยังผิดไหยครับแม่ผมก็เคยคิดว่าเอ๊ะไม่รู้ทำไมมันผิด เมื่อมานึกถึงการภาวนาเราผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติจะต้องทิจารณาจะพูดจะจาจะจับจะบ่ายทุกอย่างต้องที่จารก่อนใหญ่มากที่เราพลาดไปนั่นเพราะเราไม่มีสติหรือมีสติไม่พอหรือไม่เอาใจใส่ในนิลานั้นเช่นว่าสวัคดวันยังห้าโมง แต่เวลานั้นฝ้าฝนฝ้าอากาศมันคืบไม่สามารถที่จะมองเห็นตะวันนะไม่มีนาฬิกาอย่างนี้เราคิดประมาณนะว่าวันได้ประมาณห้าโมงเราคิดว่ามันเกบายบไยเลยมากไห่ ท่าจะยังไม่บายนอนคิดมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆทางจิตใจของเรานี่ว่าสงสั ย, ยไม่รู้นี่ว่าสงสัยนี้เราผู้ฉันจังหันชันอาหารพอฉันไปพักหนึ่งก็อเสียงสว่างของฟาคิดมันเกิดขึ้นมา ก็เลยห้ามกว่านนครับนี่ก็เป็นอาวัตแล้วครับผมก็มาคิดในใจผมว่าเอ๊ะมันก็ยังไม่เกินเที่ยงทำไมเป็นอาวัตท่านปรับปรับอาวัตเพราะแบบือหรื อ, รอไม่เอเื้อเฟื่อในพิจารณาที่ทุ่นนี่เองครับ ไม่สังบอลไม่สังรวมนี้ทำไมต้องเป็นนั่นแหละถ้าหากว่าสงสัยแล้วทำอยู่อย่างนี้อันนี้ดีทมันหนึ่งตะวันยังไม่บายท่านปรับกวัติทุกคนเพราะว่าสงสัย สงสัยมาบ่ายแต่ว่าความจริงมันไม่บายไปโทษอือแต่ก็ปรับปรับอาัตตอนนี้เพราะอะไรนี่อันนี้ผมผมผมพิจนารณาแล้วปรับเพราะไม่สังวรระวังประมาณถ้าว่ามันบายไปแล้วนะจะทำไงสงสัยอยู่ครับผู้เป็นอ า, าัติกวจิตปีเท่านั้นนี่ ถ้าปรับอวบัดทุกดนี้ดีวกว่าปรับที่ว่าไม่สังบอลสังรวมนี่ท่านเจ้าจารย์สงสัยอยู่จะถูกก็าตามจะผิดก็าตามต้องอบัดถ้าหากว่ามันถูกก็ปรับอบัดหย่อนออกมาถ้าหากว่ามันผิดปรับอวบัดอย่างเต็มที่เลยนี่ ฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องปริในนี้ครับปั้นเสื่อมากเลยเกิดผมเคยไปนั่งเรียนท่านอาจารย์มั่นในเวลานั้นเรากำลังจะเริ่มปฏิบัติแล้วก็อ่านผู้ประสิกขาไปบ้าง ก็กังใจคนสมควที่นี่ไปอ่านพิสุทธิที่มท่านมาพูดถึงท่านมาพูดถึงสีลานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศทีสากผมมันจะแตกเลยอ่านแล้วอ่านแล้วทำไาพิจรนารณาโดยมนุษย์ทำไม่ได้ ทำไม่ไ้แล้วผมก็คิดไปทีว่าอันที่มนุษย์ทําไม่ได้ น, นั้นนะอพระพุทธเจ้าท่านไม่สอนเนาะท่านไม่สอนเนอะท่านไม่บัญญัติเพราะว่ามันสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านและก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นด้วยทิ้งที่อะไรใครทําไม่ได้ กอมาคิดที น, นี้ก็นึกเมื่อก็มีปัญญาคิดต่ออยอย่างนี้เพราะว่าศีรานิเทศเครับแหมมันละเอียดมากที่สุดเลยแล้วก็ปัญญาแสสมาธินิเทศเนี่ยมันก็ยิ่งละเอียดเลยลนะปัญญานิเทศเนี่ยก็ยิ่งมากจนกว่าเรามานั่งคิดดูนี่นนะไปไหม่หวกันนะ ไม่มีทางที่จะไปค่ายไปไม่มีพ้นทางกันจบลงแล้วมันมีอะไรจะไปแล้วไ ม, ไม่มีอะไรจะทำได้แล้วพอดีทึงกลาวนั้นก็กำลังกระเสือกกระสนเรื่องปฏิปชาของตนอยู่มันก็ติดอยู่อย่างนี้พอดีก็ไปกราบเรียนในปีนวมัตมีโอกาสไปนวมัศสการท่านอาจารย์ม่น กรขผมมีปฏิบัติใหม่แต่แต่ไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรมีความอะไรสงสัยมากยังไม่หลักยังไม่ในดักในการปฏิบัติเลยของเราแต่ว่ามันเป็นยังไงผมหาทางก็ไปหยิบห น, นังสือพิสุทธิมาขึ้นมาอ่านในเวลาน มีความรู้สึกว่ามันจะไปไม่ไหวนล้วเพราะว่าเนื้อความในสีราณิเทศสมาธิมิเทศปัญญานิเทศนั้นรู้มันไม่ใช่ใิสัยของมนุษย์แล้วเพมองเห็นว่ามนุษย์ทั่วโลกนี้ ม, มันจะทำไม่ได้มันยากบาง กำหนดทุกทุกสิขาบทนี้มันมนไปไม่ได้มันเหลือนิสยัย้นท่านก็เลยพูดว่าท่านอของีมันมากกว่จริงรับท่านมาถึงมันน้อย ถ้าเราจะไปกำหนดทุกๆสิขาบุติลานิเทศนั้นน่ะมันก็ยากมันก็ลำบากจริงๆแต่ความเป็นจริงแล้วน่ะที่ได้่าศิลานิเทศนั่นมันเป็นนิเทศอันหนึงนะ่งซึ่งมันย้า ย, ายออกไปจากจิตใจของคนเรานะ ถ้าหากว่าเราอบรมเราอบรมจิตเรานะให้มีความอายมีความกลัวต่อความผิดทั้งหมดนั่นแหละกระจังจะก็จะเป็นคนสำงรวมจะเป็นคนสังบรจะเป็นคนระวังเพราะกลัว ว่าเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นเหตดที่ว่าเราจะเป็นคนที่มักน้อยเราจะไม่เป็นคนที่มักมากจริเพราะว่าเรารักษาไม่ไหวถ้าเป็นเช่นนั้นสติของเราจะกลาขึ้นมันจะตั้งสติขึ้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะ น, จะนอนที่ไหนมันจะต่าง อ, อกตั้งใจมีสติเต็มเปี่ยมเสมอมันระวัง ให้ความระวังที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละถ้าอันใดที่ว่ามันสงสัยเลยรบังอย่าพูดมาเนยอย่าทํามาเนยที่เรายังไม่รู้จะต้องถามครูบาอาจารย์เสียก่อนถามครูบาอาจารย์แล้วก็รับฟังไว้อีกก็ยังไม่ีน่ใจเพราะว่ามันยังไม่เกิดเฉพาะเจาของ ถ้าหากว่าเราจะไปกำหนดทุกการนั้นบเราจะเห็นว่าจิตของเรายอมรับหรื อ, อยังจิตของเรายอมรับหรื อ, อยังว่าไอ้ทำผิดมันผิดทำถูกมันถูกอย่างนี้ยอมรับทุกป่าคทำสอนองท่านอันนี้เป็นสิ่งผิดําคัญ ไม่ใช่ว่าใจไปรักษาสิกขาบททุกๆุกข้อเรารักษาจิตอั น, นเดียวเท่า น, นั้นพอแล้วอะไรทั้งหมดที่ท่านไปดูนะมันขึ้นต่อจิตถึ่างนั้นถ้าท่านยังไม่อุรมจิตของท่านให้มีความรู้มีความสะอาดนั้นท่านจะมีความสงสัยยังมีเรื่อยไปเป็นจิตชายตลอดเวลา เนี่ยดังนั้นท่านจึงรวมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จิตฉันรวมอยู่ที่จิตอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วว่ามันสงสัยอยู่อย่างนี้เลิกมันถ้าไม่รู้แจ้งเมื่ อ, อไรเนี่ยเป็นต้อนอย่าเพิ่งทามันอย่าพูพดมันอย่างนั้นเช่นว่าอันนี้ผิดไหมหนอหรือไม่ผิดหนออย่างนี้ ถ้าัยังไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วอย่าทำอย่าไปพูดมันอย่าละเมืดมันนี่เขาเ่านั่งฟังมันก็เข้ากับธรรมวที่ว่าทํา น, นที่ถูกต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าทาอันใดเป็นไปเพื่อความสะสมชื่นทุกรู้ทำอะไรเป็นไปเพื่อความประกอบทุก ทำเราใดเป็นไปเพื่อความมากมา ก, มากเป็นไปมีความไม่สะดอวกดีในของที่มีอยู่นะี่ก็เป็นธรรมเราใดเป็นไปที่ความทุกคลีหมูนคนณะทำเราใดเป็นไปที่เก<ม>ลียดคาย้านรัฐน่ตัดสินประทธมณีในแปดประการนั้นมารวมกันลงไปัแล้ว รวมกัอไปรวมไปอันนี้เป็นสัตว์ุกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านอกนั้นไม่ใช่จิตใจถ้าหากว่าเราสนใจจริงจิตใจเราจะต้องเป็นคนอายอายวาวตวะรู้ตัวความิดรู้จิตเจะาของมูว่าสงสัยแล้วไม่ทำพูด เรื่องสมาธินิเทศกับการเรื่องปัญญานิเทศเนี่ยไปวัดเลยอันนั้นมันตัวหนังสือมันอิริโตปรัลมันเป็นอย่างหนึ่งอยู่ในตัวหนังสือมันก็เป็นอย่างหนึ่งถ้ามันมาตั้งอยู่ในใจของเราแล้วมันก็เป็นอย่างหนึ่งไปศึกษาเรื่องปัิญากัท่าน ท่านกรสอบสวนล้อย่างน้สยารย์เาก็นั่งความรวมเกิดความรู้ขึ้นมาดัง น, น, นั้นพระวินัยเนี่ยเรื่องเรื่องดูพระวินัยนี่นะเรื่องศึกษาพระวินัยเนี่ยผมว่าผมก็ได้ศึกษามากพอสมควรบางวันเอาตั้งแต่หกโมงจอนเย็นสว่างเลยศึกษาตลอด ันสามเข้าใจพอสมควรองค์ของอาวัตทั้งหมดที่อยู่ในภูปฏิฐานผมเก็บไว้หมดสมู่รณ์ครบเต็มยามตลอดเวลาธรรมะเป็นพย า, ยามเข้าใจพอสมควรแต่การต่อมานี้ก็เรียกว่า มันค่อยๆ ค, คลายออกมันมากอะไรไปมันมากเกินไปเอมันไม่รู้จักเนื้อมันไม่รู้จักเปลือมันไม่รู้จักน้ามันไม่รู้จักอะมันเอาไปทั้งหมดเนี่ยจิตใจก็มีปัญญาคลายออกมันหนักก็เลยพยายามสนใจในใจของเจ้าของตลอดมากำหลับตำลาเนี่ยค่อยๆทิ้งเกลียวไปด้วยมิฉะนั้นที่ผมมาอบรมท่านนี่แหละผมก็ยังเอา สูส้พิจาณนี่เป็นฐานจริงๆนะผมจะได้อ่านพระอภิษฐานในชิคายพระวินัยพระฟังนะครับโ้หลายปีครับอ ย, อยู่วัดประโปง ก, กับผมทั้งนั้นอ่านในฟังแต่ว่ามันมีประโยชน์มากนะเรื่องพระวินัยนี่เราต้องดูออกจากการฟังไปแล้วเราก็ต้องไปดูประวินิจฉัยมันทิ้งจะเข้าใจเนะี่ย เทพในฟังที่เฉยเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจเราอย่างเทพตอนนี้ยอยิ่งอยู่ในเทพเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอไม่รู้เรื่องขณะที่ผมศึกษามาหลายปีในสิ่งนั้นก็ยังรู้นิดหน่อยเพราะมันคุมเครือกันบางอย่างนคุ้มคุมเครือกันบางคนก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจบางทีก็สนใจก็ไม่ถึงรู้ไม่ถึงมังนกัน มันคงเครียดสมัยนั้นต้องขึ้นธรรมะเทศอย่างน้อยก็ต้องห้ารุ่นหะรือกรุ่มบางที่ก็ที่หนึ่งที่สองนั่นมนใจแล้วก็ฝึกอไรแล้วก็เอาไปดูอ่านแล้วอกไปดูไปวินิตรถ้าเรามาดูมาฟังเฉยๆมีผมมาไม่เข้าใจเงียบตาย ที่นี่มันห่างเขินในการดูตํำรับตำลาไา้เป็นหลายปีเนี่ยครับฉะนั้นความจําในชิ้น้าวโอ่งต่างๆนั้นมันก็น้อยลงน้อยล ง, ล ง, ลงน้อยลงแต่ว่ามันไม่คล่องในใจของเรานะ่ะมันไม่บกพร่องมันไม่ขาดเขินในใจเรามันมีเครื่องหมายอยู่อย่างนี้ไม่ได้สงสัยอะไรอย่างนี้รู้จักกติวางไหม โดยมากความเพลียิบจะของในดีไปนี่เลยสนใจในอวัตทั้งหลายทั้งปวงไม่ไสนใจขนาดที่ว่าจิตของเรานะ่ะมันอายแล้วเนะี่ยไม่กล้าจะทําความปิดแล้วในที่รับที่แจกเนะี่ยไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่นิดถ้ า, าจะาเกตนาจะข่ามดตัวหนึ่งอะไรเนี่ยปวกตัวหนึ่งเนี่้เอามือเราไปบี้มั น, นจะพูดถึงการวัตถุนะ มันจะให้ตัวนของเราได้ร้ายเหมือนก็ข้ามันไม่ได้ครับขนาดหลวกกันขนาดมดกันมันได้มีราคาสูงมากแต่ว่าบางทีก็ทํามันตายนะบางทีมันมันตายเลยนะนลาคาบตับตายตายตายแล้วตายแล้วดูจิตใรของก็มือนทียใัใจอะไรเลยไม่หวัดหวัน่นไม่สงสัยเพราะอะไรกิรนาเรามันไม่มีเจตนาหั่น เจตนามันมีชี้ ร, รังวาฒนมเจตนานี่เป็นตัวชิ้นเมื่อมันรวมเข้ามาจะนี้เราจะทํามันตายโดยเจตนาไม่มีไม่เคยมีอย่างนี้ถึงแม้เราเดินไปเราจับไปถูกมันตายสมัยก่อนเมื่อเรายังไม่รู้จักจิตของเรานั้นมันมันมันไปนทุกข์ครับปรับตัวในบาปเป็นอบาปแล้วอ่ะไม่มีเจตนา ไม่มีเจตนาก็ไม่ฉั น, อนวอลฉันรวมมันถึงเป็นอย่างเนี้ยมันเข้ามาอย่างนี้ก็ได้กระมายกระสับกระส่ายดังนั้นพระวินัยนี้จึงเป็นขอ ง, ของก่อควากับผู้อพฤองปฏิบัติและมีประโยชน์มากเลยเทว่านิยมประโยชน์สมกับท่านว่าไม่รู้ซิขาบทไหนก็ต้องให้รู้ไม่รู้ก็ต้องไตถามท่านก็รู้ให้รู้ไม่รู้ ขันย้ำในเตินที่นี่ถ้าหากว่าเราไปรู้ตามสี่ข้าวบทอยู่ข้างนอกเราจะไม่เข้าทันเบัไว้เช่นว่าในคณะหนึ่งเราเรื่องของพระเอระในสมัยก่อนธนายยานเผาอยู่รบบรีวัดเขาองค์กตวันหนึ่งก็มีมาหาองค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์หลายประโยคันกันมานั่ง แก็มีโยผู้หญิงมาบอกวันท่านห้องพ่อนำอีกฉันไปโน้นหรืออีกฉันจะนำท่านไปโน้นท่านจะไปไหมท่านห้องพ่อเป่าต่าเฉย มาหาองคนั้นนั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆก็เ น, นึกว่าท่นานอาจารย์เขาไม่รู้เรือ่องไม่ได้ยินวันนงพอ่อน้วงพ่อโยอมพูดได้ยินไหมอืมได้ยินไหมท่านจะ น, นีมนอืมไปเที่ยวที่โน้นที่โน้นได้ยินท่านขอนงใไดยินโยอมก็พูดเลยน้องพอ่ออืมน้วงพ่อจะไปหรือเปล่าก็เฉยญท่านพูน อความเป็นจริงแล้วก็ได้ไม่ในเรื่องเลยทำไมไม่ฟังเมื่อญาติโยมกลับไปแล้วแตงก็เองรูพ่อที่โยมเรียนถามหลวงพ่อทำไมไม่พูดโอ้มาหาท่านรู้ไหมป้ารู้ไห ม, มคนที่มาอยู่นี่มิผู้หญิงทั้ง น, นั้นจะชวนเดินทางร่วมกันกับพระคุณจะไปนับปากเ้าทำไม เขาชวนข้างเดียวนั่นก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเราอยากจะไปเราก็ไปก็ได้พอเราไม่ได้ชวนเขาชวนข้างเดียวท่านมหาเกเลยนั่นเราเชื่อผลจะเกิด น, นะถูหยิงเดินทางนู่นกันก็บชวนกันไปนูน่นไปนีน่อย่านี้กัน ท่านเลยชวนกันเดินทางร่วม ก, กันกับผู้หญิงไม่ใช่สองต่อสองมีทุกพวกผู้หญิงนะท่านเป็นผิด ต, ตรงนั้นเป็นผิดสาคัญมากอะไรต้องก็ต่อไปอีกนะเอ ก, ก ร, ราบมันเกิดขึ้นมามากในวัดเขาวงมคนเอาเงินมาถวายท่านนะก็มาถวายท่านก็รับก็อเอาเสษถาดมาท่านก็ยืน่นถ้าชิดหน้าออกไปครับ ท่านก็จับผ้าจิตหน้าเมื่เอเขามาวางฝ้าจิตหน้าท่านเออขยับมือเข้ามาอย่างเนี้นะไม่ให้ติดผ้าจิตหน้าอนนั้ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมีมเ า, า, นนเ า, าเรีนถ้าอยู่นั้นเนี่ยท่านจะยืนนั่งนีไปเพราะในพระดินัยเห็นว่าถ้าเราไม่ยินดีแล้วนะไม่ยินดีนะไม่บอกรับ ไ, ได้ ถ้าหากว่าเราไม่ยินดีเนะยถ้ า, ากว่าเรายินนิยมว่านี่มีคนเกแก่พระนี่บอกเขาได้ถ้าเราไม่ยินดีจริงไม่บอกเขาได้ระวางลุกไปกรลุกไปเลยถ้าเรามียิงความีห้ามเพราะแค่ในสิ่งที่มันผิดเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านลุ้จักนั่นไปแต่ละลุกไปจริงจีิงก็ว่าไม่ตรงนั้น อันนี้อาจารย์กับลูกศิษย์อยู่ด้วยกันม า, า, าัหลายปีก็รู้เรือร่องอันนี้แง่มีข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์เขาเล็กเด็กในนอนต้ผมก็ไปสืบแสวงหาปิจนาอยู่อะไรต่างๆอืมฉะนั้นพระวินัยนี่ครับมันเป็นของที่บางคนศึกดาบางคนศึกษาสืบนอก เพื่อพระบิดาสิบใบเมื่ออ่านหนังสือพระบิดาไปหนึ่งใบเออโปล่ขึ้นมาในตรงนั้นเออมันจะยันไปโน้นโอ้พรินิดามันจะมันจะเอาอดีตมายุ่งยังงั้นบวดเราจะถูกไหมอุปชาเรงจะบริสุทธิ์ด้วยเปล่าพระหัตถบาทเราก็ไม่ใครไม่มีไม่มีใครสนใจในพระบินัยเลยมันจะมีนั่งรู้จักหัตถบาทกันไหมเนี่ย การสวดหน้าอะไรจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างนี้มันคน้นมันคิดอะไรมาให้โบสที่เราบวชนี่นเนี่ยมันถูกต้องดีหรือเปล่าโบสถ์นน้อยอย่างนี้สงสัยที่โบดครับตกนรกอย่งนั้นเนี่ยมันหมดเพราะเราไม่รู้จักอย่างนี้อย่างนั้นครูทีวีอุบายจะแก้ไขจิตใ จ, ใจของเจ้าของนี่ลาบากมากนะครับต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆครับ บางทีขุนผันเกินไปก็ไม่ได้อันนี้จะเย็นเกินไปจนไม่รับพิจารณาเหตุผลอันนี้ก็ไม่ได้ผมองจวนผมจะสึกเกือบจะสึกแล้วจริงเพราะว่าที่ตัวบกคล้องในการกระทํำในการปฏิบัติมาครูบาอาจารย์ซาละพัดอย่างร้อนนอนไม่ได้ครับบาปจริงๆมันบาปเป็นความสงสัย สงสัยอะไรก็ยิ่งภาวนาไปยิ่ง ท, ทําความเพียรไปสงสัยที่ไหนก็ทํามันไปเรื่อยๆฉะนั้นปัญญามันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไนเกิดจะมาเรื่อยๆแต่ความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่รู้จักว่าจะพูดให้ใครฟังได้คือพูดก็จะไม่น่าเชื่อเปลี่ยนแปลงจนว่ามันไม่สงสัยอะไรหนึ่งไม่รู้มันเปลี่ยนแปลงโดยวิธีอะไระถ้าเราไปพูดให้คนอื่นฟังเขาก็คงจะไม่ดูเรื่องเหมือนกัน ดังนั้นจึงได้มาลึกคําสอนของพะปัจจัตจังเวทิตาโพวินยูนี้วินยูชนรูร้เฉพาะเจ้าของอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นมาในขณ ะ, ะที่มันเป็นอย่างนั้นคนระับเรื่องปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องที่เราเรียศึกษาพระธรรมอินัยมานั่นนะก็จริงอยู่แต่ว่ามันศึกษานอกนอกระนั้นเราไม่ปฏิบัติ ทามาปฏิบัติจะเอาจริงเอาจงอางในวันสงสังสยแตหมดทุกอย่างีเพราะว่าเรื่องอาบัตทุกโกรดนี่ไม่ไม่เคยได้คิดอะไรมันมากแต่สมัยก่อนเมื่อเข้ามาถึงเราปฏิบัติอาบัตทุกโกรดมีราคาเหมือนประชิกแม่แต่ก่อนอาบัตทุกโกรดที่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นเมื่อมาเข้าใจธรรมะจริงๆแล้วถึงข้อปฏิบัตินีนะอาบัตทุกโกรดกลายมาเป็นอาบัตประชิก สมัยก่อนอาวัตทุกคนไม่ถึนอะไรบัตรเล็กๆนี่น้อยกิจเี้ยินเย็นๆมาแสดงอาบัติแล้วผหายทั้งนั้นนี่คือตุ้งทำไปใหม่มีการแสดงอาบัตอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีความบริสุทธิ์ครับคือมันไม่หยุดมันไม่ตกตรงมันไม่สังบอมันไม่ชังรวมต่อไปอีก ทำอีกก็เป็นอีกทำอีกก็เป็นอีกอยู่เรื่อยอย่างนั้นมันก็ยังต้องรักษาแค่ต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยมันก็ลาบากการความรู้จริตามเป็นจริงไม่มีการปล่อยวางมันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงนั่นจากว่ามันก็พูดยากกวนนี้นะอาบัตินี้ไม่จําเป็นที่จะแสดงมันแล้วออาบัตินี้ถ้าพูดตามธรรมะตามความจริงแล้วไหม ไม่เป็นของที่จะแสดงมันเนี้ยเพราะเห็นความบริสุทธิ์ใจจะของนั้นแหละไม่ได้สงสัยอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้มันก็ขาดไปแต่นั้ น, นในที่เราจะไม่บริสุทธิ์หรือเราสงสัยอยู่นิจิจิตใจหรือลังเลอยู่นั่นเลยยังไม่บริสุทธิ์แท้ครับมันจึงปรุงปรุงไม่ได้ไม่เห็นตัวเจ้าของตัวสิ่งเราเองแต่ อ, อื่นละเนี่ถ้ายในก็คือรู้เอง มันรู่อย่างที่จะให้เราพ้นจากความผิดต่ดางอันนี้ต้องพิธีพิธันหน่อยเรอันนี้มันเป็นเรื่องหนึงปินัยเรื่องปรินรัย น, นี่าว่ามันมันไม่เห็นในใจของการนี้มันก็ยางในเวลาจากวัดโทรมาหลายสิบปีกันะผมไปตั้งใจสละเงินนี่ครับไม่ไมพูด ไปยเูกเงินทั้งพรรานี่ครับค้อนๆออพรรษาเนี่ครับอไม่ตกลงผมก็เลยคว้าเอากระเป๋าสตางคเลยหยิบมาเลยมหาธวันนี่ข้าพยูงอยู่ในวัดนี่วัดไหนเพราะวัดสำคัญเลยเคยไปคับผมผมก็เดินลงมาว่ดที่หมหาเนี่ยเงิ น, นให้ท่านเป็นพยานนี่ยผมด้วย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่หยิบผมจะไม่จับถ้าผมไม่ศิบนะ่ะให้ท่านเป็นพยานในผมเลยตั้งแต่วันเนี้ยผมกบดร่อยขนาดนั้นมีห้องเธอท่านเอาไปเอาไปเรียนหนังสือเถอะท่านมหาสาก็ไม่อยากจะหยิบกระเป๋าแ ต, ต่างอายท่านอาจารย์ทำง่ายเป็นท้่กระจางหลายน้อยเนาะแต่ไมีสบายใหจยังไงไม่ต้องวิ่งห้วงผมหรอก ผมเลิกแล้วตกลงกันเนี่ยคืนนี้ตกลงแล้วครับอรัสงแรกๆผมหนึ่งมันตายก็จากท่านแ่นเนีกน้พูดอะไรก็ไม่เคยดูเรื่องกันหรอกท่านยังเป็นปัญญาอยู่ทุกวันไม่เคยครับไม่เคยทำํยทำนี่ตั้งันเแรกแรกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยอะไรต่ออะไรเรืยมาเนี่ย อ, อะไรต่างๆล้วก็สั้งวมอยู่มันไม่เคยจีนนอจะไรจับผิดแต่มันกลัวส ม, มุนนี่เนะี่ย เรื่องการภารวนาทางในแล้วก็ภาวนาต่อไปเรื่อยๆส่วนนั้นเราไม่ต้องการแล้วมันอย่างขย า, าพิษเนี่ยเราเห็นได้ว่าเอาให้คนนั่นกินมันก็ตายเขาให้สุนัข ก, กินมันก็ตายเอาให้อะไรกินมันตายเป็นอันตรายทางนั้นถ้าเราเห็นชัดอย่างนั้นแม้จะ ย, ยืนจะเดินจะ น, นั่งจะนอนนะเราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปกินยาพิษอันนั้นเพราะเราเห็นโทษมันอย่างชัดอย่างนี้ เนี่ยโดยไม่เป็นของยากอาหารการขบการฉันจีเขาถวายมาอะไรต่างๆเนะี่ยที่มันสงสัยที่มันไม่เอาจะเป็นอะไรดีเลือดประสริเท่าไรพ่อไม่เอาอะไรอย่างนี้ยกยง่ายๆกันว่าเขาทำม่ปลามาปลาส้ม ถ้าเราไปอยู่ในป่ า, าไปเป็นจางหวัดมันก็ปลาส้มใสให้เป็นห่อนี่เ่อันเนี้เท น, นั้นเมื่อเปิดดูปเป็นปลาส้มมัน ม, มันไม่สุกแล้วเอาทิ้งนั่นชันน่ะข้าวเราเต้าเป่าดีกว่าครับมันไม่กล้ายอย่างนั้นอือย่างนั้นจริงบอกเรียกว่าคิดมันเห็นที่เรียกว่าพระวินัยนั้นก็เรียกว่ามัน ง, ง่ายที่ง่ายที่ ถ้าสงเราจะเอาอะไราให้ต่างๆเครื่องบริการจะเป็นบาตรจะเป็นมีดโหนดเป็นอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่เอาถ้าไม่ใช่บัดเห็นเป็นเพื่อนน่ะเดียวกันตาท่านนี้กันเดียวกันไม่เอาครับทําทไมคนไม่สังวรสังรวมน่ะเราจะเชื่อใจเนี่ยผมก็ทกําผิดต่งางๆได้ทั้งนั้นเนี่ยก็คนไม่สังวรสังรวมไม่เห็นนี่มันก็เปลี่ยนไปได้อย่างนั้นความเห็นมันก็ดุ๊กไปอย่างนั้น นี่ฉะนั้นจึงเป็นเหตุมันจริงเป็นเหตุใ้พวกทหารทั้งนี้ทั้งหลายมองมองในทานตรงนั้นไม่เด็กกับเพื่อนไม่เข้าสังคมไม่อะไรต่อในรุ่นนะนก็เฉยๆอเออ้าพลสังคมมันที่ตายเถอะที่จะตายสังคมมนเดียวไปนั่นแหละตายสังคมนนึกไปในใจอย่างนี้ อย่างนี้ครับอยู่ด้วยมาในความอดทนมากที่สุดทำมาจะเป็นคนพูดน้อยถ้าใครมาพูดก้าวผ่ายถึงการปฏิบัติแล้วเขาเฉยๆทาไมมันเฉคือพูดเดี๋ยวเขาก็ไม่ไปรู้จักไม่รู้ปฏิบัติบางคนยมเดินถามว่าเฮ้ยมิจฉาที่ น, นี้นไปดูในเนี่ยอย่างพระจิินาศาตร์ตัวเ ป, ป็รใช่ไอย่าไปฟังกันเอาสียามกั น, นอย่าไปพูดกันะ ยังไงานรู้ว่าใส่ยากทำให้ใส่ยากเพราะว่า อ, อโยมรูจากพระเป็นไหมหรือพาะตายถ้าพระโยมนว่าพระเป็นหรืพระตายเนี่ไม่เคยแบบุราจะเรียกว่าดังหอมมันจะเป็นด้ำหอม น, ะนั่นมิเตยมตันนั้นเนี่ยอยากจะดินเล่าแต่ว่าด้ำหอมหรือกาัฟกินก็เป็นว่ากันตรงนั้นไม่รู้เหล้ามันเป็นอย่างนี้ครับ ตรงนะความใจของตรงอย่างอย่างนั้นพระวินใยมีลําบากนะคต้องเป็นคนหมักน้อยต้องเป็นคนสัมโดดต้องเป็นคนถห็นเห็นถูกจริงๆครับคนท่านเขาต้องไปทาคนนี้เขาต้องไปทําไม่จะทําอัญญาตไม่เอาผมไม่เอาไปอยู่ว่าสระบุรีเราเขาไปอยู่พักอยกับวัดบ้านเขา อาจารย์ของนั่นก็เสมือพรรษาใครๆท่านนี้ก็ไปวิศวะมาร่วมกันมาวาดมาตั้งโยมมาปีตมาเอาปีตูมาขึ้นบนธารมาฆ่าก็ไปเอามาเอาไปวางฆ่าก็ไปเอามาไปเอามามารวมมันก็ามาเปิดเปิดปโตูน้อยจัดเป็ีตูเรียงกันเรียงกันยาวไปถึงโน้นเดี๋ยวฆ้าก็ไปรับประเานแะล้วเอ้ย ไอ้พระก็เอานี้มือจดเป็นตัวเท่านี้เป็นตัวนั่นไปตรงโน้นโยมก็เอามือจดเป็นตัวทานั้นเอาแล้วถอยเรื่องวันวันก็จับวัถอยพระเห็นพ้ะฉันไปกับผมตั้งห้าองค์ประมาณตั้งห้าองค์ไม่ฉันเลยเอาบาทเท่านั้นไปวิสาบบว่ามีแต่ข้านั่งโดยรวมว็ฉันจต่ข้าวอยงนีน้ไม่มีใครข้าวฉันไหนจะไปพูดที่นั่นก็ยากมันเป็นหนี้แล้วก็อยู่เรื่อย วันหนึ่งก็ท่านอาจารย์ท่านเดือดร้อ น, อนในการช่วยคงจะมีลูกศิษย์ที่ไปพูด ถ, ถึงถ้าอาจารย์ตุปาเราไม่ฉันไม่ฉั น, ไ ม, ฉนไม่ฉันอาหารโดยไม่รู้ว่าเป็นไงจะมีความกระต้อนคือคงจะมีมีมีเวลาจะอยู่เป็นอันหลายวานันจําเป็นจะต้องไปกราบเรียนท่านสมพานวัดเมาอกว่าท่านอาจารย์ ผมขออนัตตการเขา อ, อกคาเลยนะในเวลานี้ผมมีธุระที่จะพักซึ่งวรรเมท่านหรือจกหลายวันแต่กาอยู่ที่วัดนี่บางทีก็ท่านอาจารย์จะระแวงระวังหลายอย่า ง, ง, ง, งท่านทางพระที่สุธมณีทุกองเพราะทำไมผมจึงไม่ฉันอาหารที่โยระ ม, ม, มากมากมันเดือนมีอะไรต่างหมา้มาด้วยท่นกสุกไปด้ไม่ฉันอยู่หล้านวันเป็นอาทิตย์แก็เห็น ผมจะขอเราเรียนให้ท่านอาจารย์ฟังกราบเรียนไม่ให้มีอะไรผมจะไม่มีอะไรนะที่ผมในฉันนั่นน่ะผมในรับการประพฤติปฏิบัติมานี่นานแล้วการรับประเสรเนี่ยที่โยมามาวางไว้พระไปเปิดปีตขายเปิดปีตแล้วก็เัาปโตซอดมาวางไว้แล้วก็ให้เรียนมาถวายอันนี้ผมเห็นว่ามันผิด มันเป็นเน่ยมันเป็นรูปปัจจินนะทุกข์ปแล้วคือไปรูปไปคพามไปจับต้องยังไม่ไดประเด็นเลยครับมันเสียหายากั้นะการพระวินัยของพระทุกองค์ฉันเป็นนวัตหมดเลยข้อนี้เองครับไม่ใช่รังเกลียดใครทั้งนั้นที่ผมมาเรียนท่านอาจารย์วันนี้คนนี้ใจลอยจะห้ามให้ลูกศิษย์ทุหาสา่งให้ทำไม่ใช่ผมมาเล่าความในสุดให้ฟังเขา อ, อก็จะมีเวลายอยู่ไปอยู่ไปนี่หลายวัน นั่นก็ย่อมือกันชาคือทำดีมากทีดียวผมยังไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นพระรักษาที่วัตทุกเนี่ยนศาสนาพุรีนี้ไม่มีแล้วครับอมันจะมีก็นอกจากศาสนาพุทธเองของขอนงวัฒนาสารทุปาอให้ครับอืผมไม่มีอะไรดีแล้วอืตั้งแต่นั้นมาก็เขามา พวกมิชาไปทิศวัดาแล้วก็อามาัรยโรยสร้าในใกล้ใกล้เลยคุณมีแต่โยมมาถวายสร้าทชิงในชันจะอ่านแต่วันนั้นมาพระเนนทั้งหมดกลัวแล้วก็จะยืนจะเดินจะนั่งแม่เขาลำบากเขาคลับแคดใจเขาลเล ย, ย, ย, ยเขาเล้เปิดเผยดเผกดเผยสุดเขเข้าใจกันดีทุกคนรู้สิ่าพระเนรที่นักกลัวมากเข้าในกิมิตรเป็นทีเสียสองวันสวันผมพยายามดีกระเพราะอะไรกลัว ไอ้เลนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคือมันไม่ยอมครับจะต้องไปพูดอะไรกันีฟังดูรือเหลียงก็ไม่มีอะไรจริงๆครับให่พูดว่บเราเราเราฉันจหันไม่พอเราอยากอาหารไม่ไม่ครไม่กคยเพระอะไรเราไม่เคยฉันจังหันมันเจ็ดวันแปดวันเราเคยมาแล้วสองวันสามวันเราเคยมาแล้วอันนี้มีข้าวเปล่าทานมันไม่ตายครับ นี่มันมีกำลังที่เราปฏิบททัติที่รับโอวาทรับธรรมาที่เราปฏิบัติได้นะแต่คิดว่าทำตามพระพุทธเจ้าอุเบกชนันเดไปตรงนั้นใครทำอย่างนี้ไปอย่งนี้เขาทำเนี่ยไม่เคยทำแม่ดิฉันก็ไทไม่เอาไม่ก็ยอานะไม่เอา นพยามิส yes. ูจนี้ทอานี้บอกเพราะว่ามันรักตัวเองรักครอะพุทธปฏิบัติดังนั้นทวีนายนี่นะเราจะมาอ่านสู่กันฟังกอกไกๆไถ่ทะเลว่าฟ้ามันแลบนั้นถ้าเราจะเข้าใจจริงๆเราจะมีจัทธาออกได้ต้องไปอ่านดูแล้วไปพิจารณาหลักลิบใชยอะนรต่างๆที่เราฟังธรรมมันยิ่งแก้งเช่นบาทวันนี้พูดถึงเรื่องบาศ พูดถึงเรื่องบาทพูดถึงเรื่องกีบอนก็พูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องยานี่บาดถ้าบาดร้าวยังไม่ถึงห้าแหงสิบแหงแหงนึงหนึ่งสองนึงมันแหงงมันแปกมันแหงสองนึงสองห้าเป็นสิบยังไม่ถึงสิบนิ้วนี่ ยังไม่ถึงสิบเนี่ยร้า5ห้าแหงแง้มีนสองนิ้วเป็นบาทเล้าสิบนิ้วถ้าบาทของเรายังไม่ถึงราไม่ถึงห้าแหงไม่ถึงสิบนิ้วไต่ขอบาทคนอยู่เป็นอาบาัตอนอกจากไปขอบาทกับญาติทีคนภาวนาไม่เป็นอาบาัต ทำไมได้เป็นเงินเหร็นนี่มีไม่ค่อยพอใจนี่นี่ก็ไม่ค่อยพอใจนบาทนั้นมันมีสามขนาดนด้วยบาทที่จัดอธิษฐา น, นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางนี่จัดเป็นส่วนนึที่ทั้งบาทขนาดเล็กบาทขนาดใหญ่บาทขนาดกลางนั้นยังมาจัดออกไป ทิ้ละสามละสามเป็นบาทเก้าใบเลยสิบาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาทขนาดใหญ่อย่างกลางบาทขนาดใหญ่อย่างเล็กนี่เป็นสามใบเลยบาทขนาดกลางอย่างใหญ่บาทขนาดกลางอย่างกลางบาทขนาดกลางอย่างเล็ก นี่มีบาทที่เราใช้กันนี่ที่มีบาทขนาดเล็กอย่างใหญ่บาทขนาดเล็กอย่างกลางบาทขนาดเล็กอย่างเล็กเป็นเก้าวายนี่ที่เราใช้บาทจะนีกันหรือใช่บาทอย่างนี้มันเก้าวาแล้วนี่บาทที่ควรอธิษฐานใช้ได้นี่ก็แล้วบาทเราที่ที่ไม่คนใช้บาทขนาดใหญ่อย่างใหญ่ที่นึ่งอธิษฐานไม่ขึ้น ใบขนาดเล็กอย่างเล็กที่หนึ่เนื้อบาดเจ็ดใบแปดใบเต้าใบสิบใบเนื้อบาดแปดใบเจ็ดใบสามสามก้าที่ไปสองใบที่ไปเพราะมันใหญ่เกินไปมันเล็กเกินไปที่ตรงนี้ถ้าเราเก็บไว้เป็นตซนก็ไม่เป็นอบัย เพราะว่ามันเป็นาสนาแล้วมันจัดเป็นบาทในด้นี่นี่ฉะนั้ น, นต่างติ้งกระทับในบาทในเกินีบาทบริหารอย่างนี้นอืถ้าเราไปขอกระพี่สาวเราน้องสาวเราพ่อของเราแม่ของเราเนี่นกา ย, านะย ก, กเนนนน็เรียกว่าญาติของเราเนี่ยดุสขามิเนี่ศาสนาิพลพระเนรนะนี่มีเทียกว่าควรจะขอ ที่สะพ้ายแล้วก็ฟอไม่ได้ที่เขยก็ฟอไม่ได้ไม่เค่เป็นญาติในกรณีใดอย่างนี้มันหนักครับอันนี้ดังนั้นบริการอะไรจัดแป้ก็แต่สองที่เจรนาอยู่ไม่กินอะไรที่บาดนี้ก็เรียกว่าเอามาแล้วก็ต้องระเบิดระเบิดอะไรระเบระบิไฟที่เิีว่า ระเบอบาดห้าไฟบาทห้าไฟคือทําไมถึงทำหลายไฟคือระเบอนี้มันอยู่บาทเหล่านี้ก็ถ้าเราเอามาใช้เฉยๆ เ, เนี่ยเฉยๆครับเ่านหินมันขึ้นบาทนี่จะอธิษฐานก็นไม่ได้ไม่เป็นบาดเราแล้ ว, ลวเป็นภาชน ะ, ะนบาดระเบอมเนีห้าไฟห้าไฟก็ประมาณเรียกว่า เราระบบบาตกันเนี่หาฟืนมาเท่าประมาณสักขอบอาอาหหมข้าวสุกสักหม้อหนึ่งมีเป็นไฟนโดยประมาณนะก็จับมาสามส่วนสามส่วนสามส่วนไม่ส่วนแต่ส่วนแต่ส่วนเป็นห้าส่วนกองกันไว้แล้วเอาบาตอืมเอาบาตนั่นแล้วดูแลเอาบาตรเอาขวบลงคัดให้สะอาดเอาควบลงไปเอาได้รองขึ้นให้เป็นดินจายเอาหม้อดินของเราที่สะอาด ดีโลหะอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่จะรู้ตัวความเป็นจริงเขาเรียกว่าหมันดีที่เอามาครอบลงไปครอบแล้วก็ปิดไม่ให้มันไม่ให้มันมีรูออกปิดเอาไม้ภผยเราตัดแค่นี้นนก็เรียนรอบเรียนนอกจักหนาพโปรตีนนะอโรยมากกระบบบาทก็ระบบบาทใ น, ในี่ราเล้ยงไม่ไปบวมเ น, นี่ยเราคน เอาไฟจุดเข้าไปมันจุดเข้าไปอยากจะให้มันขาวสะอาดก็ฮะเอาฟางเขามาใส่เข้าไปอยากแทนมันสีเขียวเป็นต้นก็เอาใบ ไ, ไม้สดๆนี่หิโยกมานอย่างบบไบกระบกเนยทออมาเข้าไปเมื่อเมื่อไฟมันยุตรงแล้วเนี่ยมันอบอยู่ตรงนั้ น, นเปิดขึ้นมามันก่อสีเขียวแม่เปิดออกมาก็าสีขาวเป็นวา ท, ทิสะอาดมา ท, ที่โบมแล้วทีนี้ น้ำอะไรต่างๆมันจะไม่มีแทรกซึมเข้าไปในที่นั้นมันเป็นคนระชันแต่ถ้ากระเบือกไข่ค่อยๆเปือกไข่งั้นจะเอากระดากระหินกระสนกระหินยังไงมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรนะมันรุ่นแข็งแข็งกรอบมากที่สุดนี่อะไรไอ้พวกคือพวกพริกพวกเค็มจะซูมทราบเข้าไปในบาตรได้ง่ายเเมื่อนอานั่งไปใบบัวเนี่ยมันกรอบไปกรอบมาไม่เข้าไปในเนื้อใบบัว อย่างนั้นน้ำตาลน้ำพิมน้าแกนเทกันไปแล้วมันก็กรอบไปกรอบมาถ้าหากว่าบาต ท, ที่เราไม่ได้ระบุนราโอ้โหหมินน้ามันเันหมินมันซึมเลยนะถ้าซึมมาไปน้ำอีกเราเก็บไว้ีกนะวันต่อไปไปวิถีตัดว่าฉันอีกมีกลิ่นออกไม้หมินนะ่ะเป็นสันนิพิทเแล้วเอาอย่างนี้นะครับเป็นสันนิพิทมะนาวมิตร เนี่ยทำเป็นนามีเป็นหนะบาบัติกเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นกรรมาฐานเนี่ยบาลเพื่อต้องจะพายเอาเองเต้องจีบเอาเองต้องเช็ดเอาเองโยมทั้งหลายนี่จะปล่อยให้คนโยมทั้งหลายทำไม่เอาถ้าเขารู้จักปฎิเ น, นะน่รัสมา ท, ที่มันกร อ, อบเห็นนั่นนะเราไปกระทบกับไม้นี่เดียวกับแพร่แตกเลยแห้งเน่แตก เมื่อแตะขนาดไหนก็เกิดสินะ่เมื่อนั้นคุปติยินเลยนะเป็นเนือบูบาทผมนี่ก็แน่ใจบาทผมมีบาทจันเหลี่ยมหรือบาทไทยหรืบกได้นะีน่ไม่ต้องทําอะไรนะไมต้องให้คนรักษาดีที่สุดรักษาบาทนี่นะยาวบาทเป็นแผไว้ยาวบาทไปหอยห้อย เมื่อเราจะเทศบาทย่าไปกดบาทใส่ของแข็งใส่หินอืใสไม้นะอแต่ก้อนหินแข็งเอาไปกระทบไม่ได้ไม่เอาของแข็งวางตรงนี้บาทไม่เอาอะไรวางตรงนี้บาทเพื่ออะไรกลัวมันจะแตกกันหนึ่งมันจะเล้าเนี่ยนี่เห็นต้องการล้างบาทเทศบาทนี้ก็อทำอะไรมันดีที่สุดทีเดียวต้อง แคดมันแห้งถ้ามันมีแดดก็เอาไปขุดแดดสักพักหนึ่งแหดมันนอนเกินไปอแดดมันนอนเกินไปแดดมันแห้งจาดอย่าเอาบาตมีน้ําเปียกๆไปตากแดดเนี่ยเก็บัวคราวแล้วเก็บไว้ใสกระอกบาตอย่าไปคุยกันอย่าไปพูดเรื่องอืง่นอย่าไปคุยกัน ถ้าคู่กันได้เองินเนี้ยบาดบุดมือตรอ ง, องอีเลียสยาวบาดวางบนจักรยาวบาดวางบนรมนี่อย่างรอบตัวในอาวาดวางด้นั่งนั่งฉันจะเอาบาดมาวางบนจักขฉันนันก็ไม่ได้ค่ะอธิบายเรื่องบาดนี่กระทั่งคืนนะครับร้ายแต่ตานที่สุดนี่ที่เก็บบาด ท, ที่ไม่บาดจะต้องรู้จักไปวางเหยียบทุกข้องแขนในนีน้ไม่ได้ ยางงั้นการบาทเนี่ยคนรักษาครูอาจารย์ท่านต้องเป็นคนที่ทั้งพันรักษาจับบาตรจับบาตรไม่กระทบมาในทางนั้นทำไมมันยากถ้ามันถ้ามันแตกนล่นนะไปหาฟืนมาตั้นเปลี่ยนเปลี่ยนจะไปเอาที่ไหนก็นำบาตให้คนอื่นเขามันก็ยาก มันบำบาติระบบบาทติมันขึ้นสนิมอีกเป็นต้นก็เป็นระบบใหม่ปีต่อไประบรบไปด้วยจนกว่ามันอยู่เลยมันอยู่มันไม่ขึ้นสนิมเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยจะใช้อใคอมพสวเตอร์นี่เรียกว่าบาทไม่ใช่มาบาทเนี่ยเราฉันแล้วตั้งแต่ที่เลื่อนการ ไ, ไม่ได้จะไปห้อยตันใหม่ไม่ได้เอาไปบนโต๊ะไม่ไดเอาไวปบนเตียงไม่ได้เอาไปที่ไหนไม่ได้ตรงนั้นต้องเก็บไว้ที่ใต้เตียง เก็บไว้บนกะดีเราเอาเก็บไว้ต้องเปิดฟ้าบาดออกไว้ทําไมนะเอาฟ้าบาดไปอูนะ่น่ะไอ้กลิ่นอะไรมันมาอู่อู่ตรงนั้ น, นตอนเช้ามาเปิดทูวร์มินเน่เนี่ยงั้นตอนเช้ามาเป็นต้นท่นทานจงเอาน้ําที่สะอาดกรอกแล้วกรองแล้วเทเทบาดกรอบไปกรอกมาเมื่อกรอกเสร็จแล้วกรองให้มันสะอาดเอามือเราลุเช็ดจะเอาผ้าลุกเช็ดเมื่อกรอกแล้ว บางคนไม่รู้จักกันึกว่าล้างเนี่ยล่ะเอาน้ําเอาผ้ามาเช็ดขช่าผ้ามาเช็ดแต่ผ้ามันขนผ้าเลยเห็นไหมนะ่ะเอาไปเช็ดในบาทให้ขนผ้าเนี่ยนะมันเป็นปัจถุบันมันก็ติดในบาทอยู่แล้วนะแล้วก็ประรับจ้งหันมาอีกเป็นต้นมันก็ปนไปอีกเในไอ้ของที่มันด้ประเสธ น, นั้นมันมากครับเรื่องอันนี้อืการรักษาบาทมันมากมันมากกมากละเอยียดลายอย่าง อ, อืบาท นี่ยังจะพูดทั้งเรื่องเรื่องกันนิทิี่ยังยาในเนยใสในก้อนน้ำมันน้ำพึ่งน้ำมอสรับไว้เจ็ดวันเพื่อเป็นยานะรับไว้เพื่อเป็นอาหารคืนเดียวเท่านั้นเป็นสันนิทิยเลยมันเป็นอาหารนีถ้ารับไว้เป็นยานักเจ็ดวันถ้าได้เจ็ดวันนี่เป็นต้นวันนั้นชันอาหารอะไรชันเป็นอาหารวันนั้นเช็นว่า อาหารน้ำอ้อยนะก็าวหอปลาสติกมานะเข้ามาถวายแล้วก็รับเลยตอนเช้ารับไปอะไรที่ควฉันแล้วก็ฉันเป็นอาหารได้อย่าให้มันปนน้มิตรนะอย่าให้มันปนไอข้าวน้ำข้าวอย่าให้มันปนไอที่มันไม่ปนแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้ก็ตั้งใจว่าเก็บไว้เพื่อกันเป็นยาไอที่เราเก็บไว้น่ะอย่าไปฉันกับอย่างอื่นนะถ้าฉันกระเลือกระดาษฉันกระพริกก็ะได้นะอยไปทําไปฉันกับข้าว คนนามิตไหน่อยๆเป็นสันในที่เลิเสียเพราะว่ายานี่ทนายมีอันุอายุเจ็วันไอนที่มียี่กคนนั้นคือมีพริกมีเกลือเป็นของนิ่มกเ่าจะเก็บไว้เมื่อไรก็ได้แต่ทำเป็นยานะต้องเกลือใส่กระปุกไว้ในในในกะตีเรานะมันเป็นยาเก็บไว้ก็ต้องทำเป็นยาเรื่อยไรไป ถ้าเราทำถ้าเอาเอาไปใส่อาหารหุงหาดแต่เกิดเป็นสันนิธิอีกแล้วไม่ได้นี่มันเป็นเพื่อนนั้นอันนี้เราควรระวังกันเพื่ออะไรนะน้าตาลในทีก็หนึ่งกิโลกว่าชังฉันไม่เสร็จหมดตอนนั้นเนี่ยไม่รู้หรอกอย่างนี้มันเราพร่องกันหลายที่เกินอย่างนี้ฉะนั้นพระกรรมฐานนั่นจันติงระวังบาทระวังบุรีฐานของท่านมากที่สุดเนียเรื่องสันนิธินี้ อันโตอุฒาอันโตประกาศสามาประกาศเนี่ยดูเจ็บเองกรดีหูช่องแน่นเองไงคนอื่นหูบริีอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องอันตวัววุฒาอันโตประกาศเนี่ยเราไปค่ายนะอย่างเขาส่งแกงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าจะเอาไม่เป็นคนหรือเอาไปปาดฟาองกระหูข้าวนี่นะเ ป, นปปนเป็นรูปปักินน้าไปรูปกรรมอย่างคนไม่ตามวัดแต่มันมีอยู่อะ ไอ้ขนุนสกเกลอะไรต่างๆเกิดแล้วเราไปจับแม่สวยตนะเกินเนอะอืยากยาวใสสันยังงดยังงี้นเนี่ยเมื่อาไฟมาแยวที่มันเกิดกันกล้วยอะไรเนะี่ยไปรูปคล้ำไม่ได้ไม่ได้ยิ่งว่าท่านยิ่งยิ่งเขาเอาหม้อแกงมาถวายกินนะให้เราไปจับเคลื่อนอย่างนี้ถ้าเราไปรูปเฉยๆอย่างนี้นะตัวเราไปจังฉันได้อบอก เอาเครื่อนมาจากนี้จากที่เอาหม้อแกงมาวางไว้ตรงนี้นะตัวเราก็ฉันไม่ได้นะครับฉันได้แต่พระอื่นแล้วเจ้าของกิจจับนี้ฉันได้อันนี้ท่านจะอุกขิจเคลื่อนจากที่นอกจับเฉยๆไปเป็นทู ป, ปกินนะลูกครามเขาเรียกว่าสั่งสมชั่วอืมมันหลายอย่างพี่เรื่องนี้รับอยู่นวะันนี้หลายอย่างอยู่ในนี้ได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ถ้าปิดไม่ให้รายะเอียดไม่รู้สิ่งทั้งหนนะัะเรื่องกรณี เนี่ยเรื่องหยุดยานเนี่ยสมัยนี้ยิงยานต่างๆนะที่เขาทามาเนี่ยเขาแก่ชั้นได้ไรตัวไรเขาเอามาเนะยเป็นคอฟฟี่เป็นอะไรต่างๆก็ไม่รู้เรื่องมันทํามาจากอะไรนะเฮ้ยเขาทำมาจากอะไรแล้าบอกชั้นได้เนี่ยก็ชั้นทื่นเนี่ ย, นนยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนถ้าใคไม่ไม่ถ้าใค ร, ถ, ใครถ้าพบตูวเรื่องมันเขาก็ชันสบาย บางคนก็ไม่ไม่เห็นว่ามันฉันได้กัฉันเลยบางคนก็สงสัยถ่าวมามันทําด้วยอะไรอย่างนี้นะไตรโยติ ย, ย, ยาวันหนึ่งเนี่ยเที่ยงเน่ยเขามาชมโอวันจีนฉันกันอมืมารวมกันนี่โอวันเจ็กเด็กมันไปตรงกันนะไม่รู้เรื่องผมก็ไปฉันไ ป, ไปก็มาฉันฉันกะทะ็ทายฉันกะะ็เต็มผมก็ไปฉันกะะันัะฉันก็ไปตอนเยน็นนี้อ้า อันนี้มันวันนี้มันทําไมน้ําร้อนมันอร่อยเยอะเกินดวยใครใครชงอ่ะใครชงกาแฟหผมก็ชงชงอวันตินครับก็อโอวันตินก็ไข่แดงเท่านั้นเองนะนี่ไอคนที่ไม่รู้เรื่องจะฉันกันไปด้ว่ยนึกว่าเป็นยาแล้ยนะแล้วไปฉันดูก็รู้เรื่อง่อาจารย์สฉลวยรองเรียนที่กระทรวไม่ได้ไม่ได้เน็ตอืมนี่ครับ ถ้าเราไม่สังวรทังฆ้องเอ๊ะโอวันตินก็ดีนมก็ดีอะไรก็ดีฉันทั้งนั้อืมมันฉันกันทั้งนั้นนะ่ะเป็นของทำไมถึงฉันอาจารย์ฉันน ก, ก็มองดูแต่คนบวทก่อนแต่ก็มองฉันไปเลยไอความเป็นจริงเนั้นมันไม่ควรเลยอันนี้แบบมันไม่ควรมันไม่ควรฉันแหน่อย่างนี้อืมนะอย่างก็ถวายมาตอนบ่ายนำตรงนำตาลก็ถวายไปรับไปทำเรื่อให้คนอื่น้กครับ ให้เนีนให้ยมให้เหินก็ได้ถ้าเราเล่าไปจะไปฉันนั่นอีกคนต่อเป็นอาหารนี่เราไปเป็นชั้นยาเถอนะอย่างนั้นของคนที่เป็นอาหารเนี่ยมันขวดแล้วมาวางมังนส้นุนโยคนทั้งใหายต่างๆมาวางบา ง, างบางทีมันจะคนมันจะไม่ทุขเอามือไปแตะเอามือมาดันสว่างคนนั้นก็ได้เนะ มือเขาจะไหวปนเอาไหวเดอะเป็นต้นเก็บไหวตอนเช้าออกไปฉันเนึ่ยมันแยกแต่นั้นแหละไม่รู้เรื่องกันดีมันหายอย่างครับถ้าไม่รักษาภาวินัยถ้าไม่ภาวนาแต่ถ้าคนโตนะอยู่กันไม่ได้แลมันทั้งแยกกันเลยมันแยกกันครับมันไปด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็เป็นของที่สําคัญผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่ไมก่อนนะเป็นครูเป็นอาจารย์ก็อสอนมาอยู่งนั้นแต่เราไม่ได้ปฏิบัตินะ เสียอดกับมันเสียเมื่อมาพิจาาดีๆโห้ยมันไกลกันน โ, น, นโครฟ้ากับดินในความเห็นของเรานะ่ะนี่ดังนั้นคนเราจะไปตั้งนิปัสนานะตามกรรมฐานอยู่ในป่านัอยาเลยถ้าไม่รู้เรื่องจะไปเลยครับยิ่งร้ายเลยยิ่งร้ายไปทําอะไรอยู่ในป่าแต่เราก็เข้าใจว่าไปอยู่ในป่าที่สงบไอ้เนื้อในของการปฏิบัตินั้นเขามาดูเขารู้จัก ก็รู้จักบางคนก็ไปถามเจ้าเอาเองบางคนก็ไปทําอะไรเองทารพัดยานรุ่นไหวคอเขาติ่รับรู้รับการประพฤติปฏิบัติแเขาไม่เอาเขามองดูเขาหลีไม่เอาครับไม่เจริญอย่างงั้นมันไม่เจริญครับจะไปตั้งอยู่ป่าที่สมบูรขนาดไหนมันก็เจริญไม่ได้ครับมันเจริญไหมคือมันทําไม่ถูกเห็นท่านอยู่ป่าก็เลยไปทําอยู่ป่ากัท่านมันก็ไม่เหมือนเนี่ย ความดีวานก็ไม่เหมือนที่อีวานก็ไม่เหมือนหกชั้นตรอะไรมันก็ไม่เหมือนเท่านั้ น, นครับคือมันไม่ได้ฝึกไม่ได้หันนั่นนะเสียทีไม่ค่อยจะเป็นครับเป็นก็เป็นดัชติโฆษณากันตามโรคเขามันก็โฆษณาสายยาอะไรนะเนี่ยนอนะื่ครับมันมัยิ่งไปกว่านั้นนะไอ้คนปฏิบัติเห็น ท, ท, ทิ้งทำมีศรัทธาินจริงอหู่ ดังนั้นคนที่ไปตั้งวิปชานาใหม่ๆไปเรียนรู้มาวิธีต่อไปเรียนไปสอนจิตมันไม่เป็นครับจิตมันไมเป็นเลี้ยวกอเลิกตนนั้นพังตอนนั้นจะโดนดังนั้นหลักข้องปณินัยนี่มันจะเป็นอุเทศหนึ่งก็ดีกว่ามันอยู่ในมรรคดังนั้นเนีอยดังนั้นพวกเราเนี่ยควรก็ไม่ทีครั้งแรกไม่ต้องอะไรมากดูแล้วก็โพวาดทอนนั้นเนี่ยเขาว่าอะไรกันบ้าง มันเป็นยังไงศึกษาสนใจและป็ะิจาณาไม่ก็จับไว้ น, น, นานๆตรอมกาบคกบวาจารย์ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะไรอะไรอะไรเนี่ย